คงยังจำกันได้ถึงคนคนหนึ่งที่ชื่ออุทิศที่เคยไปเที่ยวเมืองแม่วันทองขากลับกรุงเทพตอนค่ำโดนดีเข้าที่ถนนสายขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพสุพรรณเรื่องนั้นอยู่ในเล่มผู้ที่ไม่มีร่างกายสำหรับเล่มที่ว่านายอุทิตไปเมืองแม่วันทองด้วยอารมณ์รักอารมณ์เศร้า แ่เล่มนี้นายอุทิศไปอยุธยาเพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้แก่เจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเอาเรื่องรักเข้าพัวพันกับการเมืองจนถึงกับกล้าทําลายเลือดในอกของตัวเองเพื่อบำเรอกามารมคุณอุทิศจะไปสร้างอารมณ์เรื่องรักที่อยุธยาจะเป็นไปได้ยังไงเพราะที่นั่นมีแต่วิญญาณของผู้เครียดแค้นที่รอคอยว่าจะแก้แค้นล อ, อยอยู่ทั่วๆไปเกรงว่าจะทําอารมณ์ยากคุณนพท่านพูดกับผม ผมจะพยายามอยู่ในอารมณ์รักครับผมตอบฉันเห็นมีอยู่ตอนแม่วันทองไปส่งพลายแก้วไปทับแล้วก็ตอนพระพันวสาสั่งตัดหัวแม่วันทองเท่านั้นแหละโดยเฉพาะอารมณ์รักอารมณ์เศร้าจริงๆถ้าพลแม่วันทองไปแล้วก็ไม่พ้นการจะเข้าไปพัวพันกับการรบพุ่งจิงชยัยเป็นการบ้านการเมืองเจ้านายอีกหลายพระองค์ทั้งหญิงทั้งชายก็ต้องขมขืนแล้วว่าเป็นนิยายรักชั้นดีแต่ก็ไม่วายมีเรื่องการเมืองปะปนคุณนพท่านพูดไปเรื่อยๆ ยังครับยังไม่ถึงจะลงมือเขียนทีเดียวขอลองไปทำอารมณ์ดูก่อนครับถ้าทำได้ผมจะเป็นทนายแก้ข้อกล่าวหาที่เจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์กำลังถูกกล่าวหาว่าชั่วช้าผมบอกท่านไปท่านก็หัวเราะ ม, มันก็ยังนุง่งนุงอยู่กับประวัติศาสตร์ตรงตัวคุณนพถอนหายใจเหมือนจะบอกว่าทำยากผมจะพาดพิงเข้าไปบ้างนิดหน่อยก็พอจะเดินเรื่องเท่านั้นแหละครับจะพยายามให้ห่างเรื่องเก่าให้มากมิฉนั้น มันจะไม่มีทางแก้ต่างให้เจอแม่หลุดพ้นมาได้ผมพูดฉันนี่รู้สึกยากจริงๆนะถ้าคุณอุทิศจุงเรื่องเขาออกห่างความเก่ามากมายนะักประวัติของเก่าที่เขาทำไว้แล้วก็ของเราใหม่เกิดแย้งกันก็จะทำให้ยุ่งยากใจแก่ผู้อ่านในภายหลังยังไงก็ขอให้พยายามหน่อยละกันอย่าให้เป็นไปในการเหยียดของเก่าให้เสียหายมันก็มีอยู่ว่าถ้าคนเก่าไม่เสียเราก็เสีย แล้วก็จะเสียอย่างย่อยยับด้วยฐานทำลายของอันควรจะรักษาคุณนบพูดอย่างตรึกตรองความจริงเราก็รู้กันอยู่ในทุกคนนะว่าการเขียนบันทึกเนี่ยเป็นการเขียนของฝ่ายมีอำนาจก็คือผู้ชนะการเหยียบย่าให้เสียาหายเป็นเรื่องจำเป็นจะต้องทำเรื่องจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยเอามานึกคิดไม่ได้พูดอะไรกันไม่ได้ทั้งๆที่รู้พวกเราก็เป็นพวกชอบพูดอะไรจริงๆเอาดาเอาแดงกันเลยแต่ ให้นึกว่าถ่วงไว้ว่าการพูดจริงบางทีเกิดเป็นร้ายสู้พูดไม่จริงดีกว่าเอาตัวรอดคุณนพพูดหลีกเลี่ยงออกเป็นการสนุกแล้วก็หัวเราะกลบไปเลยเอาเถอะ ถ้าคุณอุทิศ ต, ต้องการบ้านพักใกล้ๆวังโบราณฉันไม่รู้จักใครเลยบ้านใกล้ๆวังก็มีแต่วัดเท่านั้นที่ช่วยได้ก็คือวัดธรรมมิกราดอยู่ปากทางเข้าพระราชวังโบราณทีเดียวทั้งยังมีพระอยู่รูปหนึ่งที่มักคุ้นกันดีแล้วก็มีนิสัยชอบค้นคว้าเหมือนกันกับคุณอุทิศนี่แหละเป็นคนเจ้าเหตุเจ้าผลอยู่ทีเดียวไม่ยอมงมงายในเรื่องอะไรบ้างที่ฟังมาอย่างง่าย ท่านชื่อคุณเกรียงแล้วก็จำพรรษาอยู่ที่วัดธรรมิกราชนั่นเองฉันจะจดหมายให้คุณถือไปส่งกับมือท่านเองเลยอีกสองสามวันผมเตรียมตัวเรียบร้อยดีแล้วก็เดินทางไปอายุทยาทันทีและได้พบภิกษุเกรียงโดยสะดวกทั้งเรื่องอะไรๆก็พูดกันไม่ยากนักเพราะว่าคุณนกอธิบายไว้บ้างแล้วในจดหมายในตอนเย็นวันหนึ่งคุณเกรียงก็ชวนผมเดินเล่นอยู่ในที่ที่ล้อมรอบด้วยกองอิฐหักหล้วนเป็นซากของวัดบ้างปราสาทบ้าง บางทีเราก็ต้องยกเมฆเอาบ้างเรื่องที่จะรู้ละเอียดว่าตรงไหนคืออะไรคุณเกรียงพูดคุณอุทิศจะตั้งอารมณ์ให้ย้อนหลังไปเกิดในสมัยพ่อขุนวรวงศสาธิราชเพื่อจะเคลิมเห็นเจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์กําลังออกมาจากกําแพงชั้นในพร้อมกับท่าหลวงที่ติดตามแล้วก็เห็นขุนวรวงศาร์เมื่อยังมีตําแหน่งพันธุบุตรสีเทพพนักงานคุมหอพระกําลังหมอบกราบอยู่ก็ต้องอาศัยสมาธิของคุณเองก่อดรูปเอานะ คุณเกรียงมีหัวใจเหมือนกับผมจึงพูดตรงใจผมแทบทุกคำถ้าผมรู้ว่าก้อนอิบก้อนไหนคือหอพระการตั้งสมาธิก็จะง่ายเข้าหน่อยผมพูดเอาอย่างนี้สิคุณอุทิศลองเล่นแบบศยศาสตร์เดินไปอย่างเงียบเงียบแล้วก็ตั้งสมาธิให้แน่วแน่บางทีอาจจะดนใจให้แผ่นดินตรงนั้นสะเทือนบอกได้นะ ว่าเป็นที่เดียวกันกับที่กำลังตั้งใจไว้หรือเปล่าถ้าคลาดเคลื่อนก็ทำต่อไปจนกว่าจะพบตามที่มุ่งไว้แล้วกลับไปสู่กุฏิเริ่มร่างเรื่องฉากแรกเลยทีเดียวคุณเกรียงแนะนำทางผมชอบใจเหลือเกินที่มาพบที่ปรึกษาแบบฉลาดปราดเปรื่องเหมาะกับอารมณ์นักฝันถ้าคุณอุทิศจะฝันให้เอาหยดย้อยในเรื่องรักโดยไม่ห่วงทางประวัติศาสตร์คุณอุทิศคงจาสภาพของวัดพระแก้วในกรุงเทพได้ดี การจะออกมาจากกำแพงฝ่ายในแล้วจะมาที่โบส์ก็ต้องมองให้เห็นภาพได้ปโปร่งดีจงฝันไปให้เต็มที่เถอะเราเกี่ยวกับเรื่องรักที่ประกอบพระราชประวัติเท่านั้นใครจะมาชี้ว่าตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นใช่ก็ล้วนแต่เกิดไม่ทันด้วยสิถึงจะเกิดทันใครล่ะจะสามารถเข้าไปยังที่ที่ห่วงห้ามนั้นได้ฉันว่าคนเก่าก็ต้องยกเมฆ ก, กันมาเช่นเดียวกันกับเราก็ได้คุณเกลียงพูดแล้วหัวเราะ ผมชักมีใจเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนของพระภิกษุเกลียงผมต้องการให้ความรักระหว่างพ่อขุนวรวงศากับเจ้าแม่นั้นเป็นความรักที่แท้จริงและบริสุทธิ์ผุดผ่องมิใช่เป็นเรื่องของคนที่ถูกครอบครุมด้วยตันหาราคะเหมือนเรื่องเก่าที่ใครๆเข้าใจและสาบแช่งกันอยู่กฎแห่งธรรมชาติมีอยู่เสมอไม่เลือกว่าเจ้าแม่ยิ่งใหญ่แล้วจะรักคนธรรมดาไม่ได้ ฝ่ายชายก็คือลูกบ้านเดียวกันจากทุ่งมหาโลกแล้วมาเป็นใหญ่ในประเทศเมื่อฝ่ายชายเป็นลูกมหาโลกเช่นกันขอร้องขอให้ช่วยทางราชการบ้างใครละ่ะจะลืมตัวจนไม่ช่วยคนบ้านเดียวกันจะเป็นไปได้อย่างไรมีบา ร, รมีก็ย่อมจะให้บา ร, รมีแห่งตนปกหัวไอ้ลูกบ้านเดียวกันบ้างเรื่องของความรักนั้นเป็นเรื่องมาคราวหลังมันอาจจะเกิดขึ้นตอนใดตอนหนึ่งก็ได้เมื่อกฎธรรมชาติมันห้อมล้อมมนุษย์อยู่ทุกมงยาม เรื่องการช่วยเหลือมนุษย์นี้ก็เช่นกันเป็นจุดหนึ่งของสื่อรักได้ทุกคนที่ช่วยใครได้พ้นทุกไปได้มีความสุขความสุขใจหาได้เกิดแต่ผู้รับคนเดียวหาไม่ผู้ให้ความสุขใจเป็นที่สุดเรารักลูกเราเพราะได้อุตส่าห์ธนุถนอมอุ้มชูกอดรัดมาเรื่องของกฎธรรมชาติความเมตตาปรานีก็กลายเป็นนักรักจนในที่สุดก็ตัดสินใจตายแทนลูกได้ด้วยความรัก ถ้าเราค่อยๆหาเหตุหาแงให้เห็นอกเห็นใจกันความผิดความชั่วที่ถูกประนามก็จะคลายลงความเมตตาปราณีและความให้อภัยเท่านั้นที่จะทำให้ความจริงชิดความจริงเพราะว่าปราศจากการหักเอาโหมเอาด้วยความไม่ชอบใจอะไรๆมันก็หนักลงได้ในทุกแง่ทุกมุมไปขาดความเมตตาปราณีซะอย่างเดียวความลดหย่อนผ่อนผันจะไม่มีเลยในโลก กระผมนายอุทิตขอจุดทูปเทียนบูชาท่านผู้บันทึกเหตุการณ์เก่าไว้และขออภัยด้วยด้วยดวงวิญญาณที่เห็นแจ้งว่ากระผมมิได้ทำขึ้นโดยคิดจะลบล้างความดีของท่านเลยแม้แต่น้อย เนื้อแท้ของความซื่อสัตย์จริงขอเพียงจะยกเอาสองคนที่กล่าวมานี้เป็นต้นนิยายแห่งเรื่องรักที่แสนจะสะเทือนใจโดยพร้อมด้วยคนทุกสมัยจะเห็นใจคู่กรรมที่เกิดมาใช้กรรมเท่านั้นเองเป็นที่ตั้งถ้าเกิดจะถามว่าก็คนธรรมดามีก่ายกองเหตุใดไม่ยกเอามาทำนิยายรักสะเทือนใจเล่าคำนี้กระผมนายอุทิศไม่ต้องเรียนตอบก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่า ถ้ามีข่าวว่ามีอีกามาเกาะหลังคาบ้านเรากับมีข่าวว่านกยูงมาเกาะท่านจะเลือกตื่นใจข่าวอะไรคุณเกรียงกับผมเดินออกกำลังขาไปตามพระราชฐานจนรู้สึกตึงถาก็เลยชวนกันกลับวัดแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากันสบายดีแล้วก็คุยกันอีกที่หนึ่งที่กุฏิโดยบังเอิญ ที่แท้กุติคุณเกรียงเนี่ยอยู่ด้านที่ชิดตัวพระราชสถานเปิดหน้าต่างก็เห็นภาพของพระราชวังเก่าหักพังได้ดีเท่ากับลงไปเดินอยู่ข้างล่างผมก็เลยยึดเอาตรงหน้าต่างเป็นที่นอนลมพัดเย็นยุงไม่มีนอนโดยไม่กลางมุ้งเย็นสบายตลอดคืนคุณเกรียงท่านนอนตามที่ของท่านตามระเบียบเราก็ส่งเสียงคุยกันวิพากวิจารณ์ชีวิตรักของพ่อขุนวรวงศ์และเจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์ไม่ขาดปากจนเสียงคุณเกรียงเงียบไป อีกสักครูต่ต่อมาผมก็เข้าพวังตามไปด้วยแล้วความรู้สึกในพวังก็เกิดขึ้นดังนี้ผมได้ยินเสียงคล้ายกับใครกำลังพูดและตั้งปัญหาถามผมอยู่ข้างหลังผมนอนตะแคงผมนิ่งฟังทั้งทั้งหลับตาเธอชื่ออะไรเหรอว่าฉันจะเอาเรื่องการเมืองเข้ามาพัวพันกับเรื่องรักเรารักกันปานจะกลืนกินเหตุใดจะเอาเรื่องทางอื่นเช่นโชคและอานาจเข้ามาสุมหัวหรือเข้ามาทาลายและประหารตัวเองและคู่รักให้จบลง ผมนิ่งฟังปัญหาที่ตั้งขึ้นมาลอยลอยไม่นึกอยากจะตอบและก็ยังไม่นึกอยากจะถามแต่ก็นึกเห็นจริงตามที่เสียงนั้นพูดลอยมารู้สึกเห็นใจเป็นที่สุดก็เกิดไปมีความรักกันขึ้นในที่ที่อันตรายรอบด้านซึ่งอาจจะเชื่อว่าเวลาเผลอใจก็คงจะมีบ้าง เมื่อความรักมันรุนแรงอยู่เมื่อถูกใครมาขัดขวางความรักอาจจะวิจวายไปชั่ววูบตามอารมณ์ที่ขุ่นมัวเกิดให้ใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่ออกมาใช้พัวพันเข้ากับความรักที่บริสุทธิ์ได้ก็เลยกลายเป็นเรื่องส่วนตัวกลัวการเมืองจะละจากการเมืองก็ตายจะละจากรักก็ตายเช่นกันเลย อ, อีกฝ่ายหนึ่งช่วยบันทึกชีวิตให้เป็นประวัติที่น่ากเกลียดน่ากลัว เรื่องของการจะล้มอำนาจแล้วก็บรรลังจำเป็นนักจะต้องหาอะไรๆใส่ให้จนเสื่อมความเกลียดชงังเท่าจับใจประชาชนแล้วก็ยากจะบุกเดินไปได้ไม่ว่าจะทางใดหากจะถูกล้มล้างก็ง่ายขึ้นใส่โทษซะให้พอที่จะทำการล้มได้โดยง่ายโดยไม่มีใครยื่นมือเข้ามาทัดทานหรือว่าขัดขวางช่วยเหลือความเห็นแก่ตัญหาจนถึงกับจะยอมฆ่าลูกที่เป็นเลือดในอกของตัวเองเมื่อถูกปักลงไปว่าเป็นมนุษย์ชนิดนี้ แล้วยังจะมีใครในแผ่นดินไทยจะเมตตาและให้อภัยความถูกเกลียดและขยะขยงไปทั่วแผ่นดินนั่นก็หมายถึงทางจบฉากถ้าย่อมรู้จักคำว่ากรรมนะย่อมรู้จักความหมายของคำนี้ดีกรรมบังเกิดแก่เราทั้งสองซึ่งไม่คิดว่าจะมีขึ้นแม้จะรู้ว่ากรรมแต่ก็หนีกรรมไม่ได้มันเป็นรักที่อยู่กลางกรรมอกไม่ไส้ขมมันเป็นรักที่ต้องฝืนรักจะเลิกรักนะหรอใครจะทาได้ นอกจากเพียงแต่ความใคร่ที่เลิกได้ง่ายๆแต่ว่าเรารักกันและเป็นรักชนิดใครมาแยกก็ไม่ได้นอกจากความตายเท่านั้นที่จะแยกเราได้เฉพาะร่างกายแต่ว่าใจนะใครล่ะจะเป็นผู้มาแยกเราได้แต่มันไม่มีราคาซะแล้วความรักของเราเขาพากันป้ายสีลงไปว่ามันเป็นรักที่แสนจะชั่วร้ายเพียงได้ยินเรื่องเท่านั้นก็พากันเอามืออุดหูซะแล้วถ้อยคาทแววมาจากทางหน้าต่างตอนหลังนี้ เป็นเสียงของผู้หญิงที่พูดอย่างน้อยอกน้อยใจในชะตากรรมของตัวเองแต่น้ำเสียงที่มีกระแสกังวาลบอกอํานาจวาสนาเธอโยกเอาวัากรรมนั่นเองเป็นผู้นําผลแต่ยังดีใจอยู่ว่ายังมีบางคนที่เห็นใจฉันโดยวิเคราะห์ในเหตุผลขอให้ช่วยวิเคราะห์ดีเถิดฉันลาก่อนเสียงแววได้หยุดแค่นี้เสียงใบไม้เกลียวกราวด้วยลมยามดึก มีกลิ่นเครื่องประทินหอมจะดุงใจลอยเข้ามาอบอวลในกุฏิผมเกิดมีความกลัวและวังเวงใจทำนอนนิ่งเหมือนว่าหลับจริงๆไม่ได้ยินว่าใครมาพูดอะไรทั้งนั้นแล้วค่อยระงับใจอยู่นานเอาการจึงได้หลับลงไปได้ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าขอตัวคุณเกรียงไปทุระที่หัวรอสักหน่อยแล้วก็จะหาอาหารเช้าที่นั่นด้วยผมนั่งดื่มสุราอยู่ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนั่งคิดถึงเรื่องเมื่อคืนเหตุการณ์นั้นจะเกิดจากจิตแห่งตนเวียนไปหรือว่าฝันในยามดึก ถ้าไม่ใช่จากวิญญาณของหนุ่มโบราณสาวโบราณผู้เป็นเจ้าของนิยายมาอธิบายความจริงผมไม่กล้าพูดว่าเรื่องเมื่อคืนคืออะไรกันแน่อิ่มข้าวแล้วก็ออกมายืนเล่นที่ทางเท้าดูรถวิ่งไปมาก็พอดีพบเพื่อนเข้าคนหนึ่งเขามาจากกรุงเทพโดยรถส่วนตัวขับเองมีธุระด่วนจะเลยไปอ่างทองเมื่อพบผมเข้าก็เลยขอร้องผมให้นั่งไปเป็นเพื่อนด้วยที่อ่างทองผมก็รับปากกับเา้าแต่ขอแวะบอกข่าวกับคุณเกรียงให้รู้ซะก่อน สุธีเพื่อนผมเข้าไปธุระหลายแห่งที่อ่างทองกว่าจะจากเพื่อนฝูงแล้วก็กินอยู่เลี้ยงดูกันกว่าจะถึงอยุธยาก็เกือบสองทุ่มเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ย่างเข้าเขตวังโบราณแห่งอยุธยาในยามค่ำคืนเกิดใจหายวังเวงเหมือนดังมีความในใจอยู่แต่หนหลังกลิ่นหอมจากดอกไม้นาน า, นาชนิดจากบ้านใกล้ทางระรื่นเข้าจมูกเป็นการต้อนรับสุธีบ่นว่าอยากหาที่นอนที่อยุธยาจะคลับกับกรุงเทพเกรงก็จะดึกมาก แล้วก็เหงาใจที่กลับคนเดียวผมรับรองในเรื่องที่นอนถ้าอยากจะนอนที่วัดดูบ้างก็เลยตกลงนอนกันที่วัดทำมิกราชนั่นเองรุ่งเช้าสุทีรีบกลับกรุงเทพแต่เช้าผมไปส่งเขาที่หัวรอตอนสายๆจึงได้กลับวัด รันฉันเพลแล้วคุณเกรียงก็เกิดติดโรคไปจากผมท่านชวนผมเดินเข้าไปเล่นในวังโบราณทาั้งทางที่ท่านเองก็อยู่ที่นั่นมาแต่ไหนแต่ไรโผล่หน้าต่างที่กุฏิก็เห็นทุกเมื่อแต่เกิดรับเชื้อโรคชอบคิดชอบฝันถึงเจ้าของที่เก่าแก่เราทั้งสองคนเดินกันไปทุกทุกแห่งในเขตวังคุณเกรียงแม่นทางประวัติศาสตร์ก็คุยไปชี้ไปว่าตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ผมก็ฟังแล้วก็เอาเข้ามาปฏิบัติต่อเก่ยกับเรื่องรักของผม บ้านขุนแผนนะ่ะความจริงไม่มีในอยุธยาแต่ที่ทําคุ้มขุนแผนขึ้นนี้ก็เพียงเพื่อขอนิยายขึ้นเป็นจุดเพื่อจะหาทางสร้างบ้านแบบไทยเก่าขึ้นความจริงตําบลที่ตั้งคุ้มขุนแผนเนี่ยถ้าสืบค้นได้นะว่าที่นั่นเป็นคุกเก่าแล้วก็ครั้งขุนแผนติดคุกอยู่เคยได้รับอนุญาตให้ปลูกบ้านอยู่กับแก้วกิริยาได้ในเขตคุก ครั้งจะทํารูปร่างบ้านเป็นกระท่อมทับกระดูกก็กระไรอ ย, อยู่จึงปลูกเป็นคุ้มที่สวยงามเพื่อพดุงศิลปะการก่อสร้างของไทยให้มีคงรูปไว้ผมฟังคุณเกรียงอธิบายเรื่องไปก็รู้สึกสบายใจแก้วกิริยาเนี่ยเป็นยอดหญิงจริงๆถือรักเป็นหลักแห่งชีวิตผมพูดอ้อมแอ้มไปกับคุณเกรียงเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะพบอยู่หรือเปล่านะใจคนที่ควรบูชาแบบแก้วกิริยาเนี่ยคุณเกรียงพูดโดยไม่เหลียวหน้ามาดูผมเลย ตายังคงจับดูที่เกาะกลางที่ตั้งคุ้มขุนแผนผมเห็นจริงตามที่คุณเกรียงพูดแก้วกิริยาเป็นหญิงตัวอย่างในชีวิตรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นมนุษย์ปรัชญาที่มีความรู้สึกว่าจะเป็นที่ใดก็ตามในแผ่นดินลงพอใจจะอยู่ตรงไหนชี้เอาว่าตรงนั้นก็คือวงังก็เป็นวังแห่งความรู้สึกของเราความเสียใจน้อยใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเชื่อว่าดินตรงที่เรานั่งอยู่นอนอยู่คือที่ต่าต้อย ใจมันก็ต่ำไปตามแก้วกิริยาเธอมั่นเอาว่าที่ตรงนั้นเธออยู่ร่วมกับขุนแผนนั่นคือหอห้องชั้นดีที่ใครๆเรียกว่าคุกนั่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เรียกแล้วก็นึกความสุขของแก้วกิริยานั้นยึดมั่นว่าขุนแผนอยู่ที่ใดนั่นคือวิมานของเธอเธอเป็นคนรู้จบรู้พอพอแล้วก็พอกันทีมนุษย์เราถ้าคิดว่าอะไรอะไรยังไม่พอมันก็ไม่รู้จบ นอนคุยกันกันกบคุณเครียงอีกคืนหนึง่งแล้วก็กราบลาท่านกลับกรุงเทพการวางโครงเรื่องขุนวงษาแล้วก็เจ้าแม่ศรีสุดาจันยังไม่แนบเนียนนักยังเป็นทนายแก้ความคิดให้กับเธอยังไม่หลุดตัวรู้สึกว่าคนเขียนบันทึกครั้งกระโน้นหาแง่มุมไว้ดีมากหยิบมาใส่เข้าแต่ละแง่เจ้าแม่ของผมเนี่ยเข้าร้ายอย่างยิ่งฉะนั้นการวางเข้าโครงจึงชักช้ากว่าเรื่องธรรมดาผมเองก็ตําหนิตัวเองว่าอุตริจะเอาคดีเจ้าแม่มาแก้ แต่เมื่อจดลงไปแล้วก็ต้องไปให้ตลอดไม่ยอมถอยหลังผมมักใช้ห้องของผมเป็นอิสระตั้งโต๊ะข้างๆหน้าต่างเขียนหนังสือมานานและเคราะดีไม่มีใครจะมายุ่งกับผมพี่ป้านะ้าอาผมไม่มีใครอยากจะมาจุกจิกกับผมทำราวกับว่าตัดหางปล่อยวัดผมก็เลยสบายใจมีอยู่คืนหนึง่งผมนั่งอยู่ริมหน้าต่างเวลาค่ำคืนผมก้มหน้าอ่านเท้าโครงที่วางไว้บางแห่งก็มีการขีดฆ่านุงถุงไปหมด คืนนั้นไม่ทราบว่าใครใส่น้ำอบปรุงเจ้าคุณเดินผ่านหน้าต่างผมไปหรือไม่ก็บ้านใกล้ๆอาจจะประปรายน้ำอบไทยกลิ่นมันก็เลยลอยฟุ้งแล้วก็อบอวนเข้ามาห้องผมกลิ่นนั้นคือกลิ่นของไทยแล้วก็ไทยเก่าผมจำได้ว่ากลิ่นนี้ลอยเข้ามาทางหน้าต่างวัดธรร ม, มิกราชที่ผมอาศัยอยู่กับพระ ถ้าได้กลิ่นตัวนี้ผมลดเป็นคนสมัยใหม่ลงไปตั้งครึ่งค่อนมีความล้ำลึกถึงสภาพตัวเองสัญชาติตัวเองแล้วก็สงสารคนเก่าๆที่ตายไปแล้วในสมัยที่มีความเจริญของโลกยังไม่เกิดขึ้นแบบเดียวนี้ความสุขของคนสมัยนั้นก็มีสุขเพียงใจที่สะอาดเอี่ยมผ่องแผ้วจึงมีความสุขขึ้นหากได้มีความสุขอย่างคนเดียวนี้ที่มีสิ่งวัตถุประกอบช่วยความสุขทุกๆประการ คนอย่างผมนี้เหมือนคนที่ตัวหนักหรืออะไรแบบทำนองถ่วงโลกยังชอบสนุกชอบสุขแบบเก่าๆชอบเห็นใจใครชอบรับฟังความทุกข์ของคนอื่นก็เช่นในเวลานี้ผมก็มีความทุกข์ใจอยากจะแก้ไขความผิดให้คนเก่าๆที่ผิดพลาดโดยตรงหรือผิดไปโดยถูกทับถมจากปากคนพูดกันแล้วก็น่าขำขันผมก็ย้อนกลับไปเกิดอีกสิบหนก็ไม่ทันกับพ่อขุนวรวงศ์และเจ้แม่ศรีสุดาจันทร์ ผมลุกจากโต๊ะไปจุดเทียนไว้ที่หน้าโต๊ะบูชาแล้วก็กล่าวคำคารพแ ด, ด่เจ้าแม่ศรีสุดาจันทร์แล้วก็พ่อขุนวรวงศ์ษาบอกกล่าวว่ามิได้ตั้งใจเขียนเรื่องประวัติของท่านทั้งสองให้เกิดความเสียหายแต่จะเขียนให้เห็นชีวิตรักที่น่าสะเทือนใจพยายามชี้แจงให้คนทั้งปวงเห็นใจบ้างว่าที่ถูกกล่าวหาไว้ต่างๆนานาเนี่ยเป็นความผิดพลาดของผู้บันทึกประวัติ อยากให้เห็นว่าความจริงแล้วก็ควรจะเป็นอย่างไรฉะนั้นถ้าข้าพเจ้านึกคิดขีดเขียนไปผิดพลาดด้วยประการใดก็โปรดได้กรุณาเข้าฝันแล้วก็แนะนําตักเตือนข้าพเจ้าด้วยกลิ่นกระเจะจวงจันท์หอมฟุ้งลอยเข้ามาอีกพร้อมกับสายลมพิ้วเสียงยอดใบไม้ไหวเกรียวกราวเบาๆเป็นการเคลื่อนตัวที่ผมจําได้ที่หน้าต่างวัดธรรมิกราชซึ่งตั้งอยู่ในเขตแดนพระราชฐานวังโบราณผมนั่งนิ่งอยู่กับที่คล้ายกับถูกสะกด บัตรนั้นเหมือนมีมือใครผ่านหน้าผมไปแล้วก็ฉี้ลงที่แผ่นกระดาษที่ผมวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าผมเนี่ยซึ่งในกระดาษนั้นผมเขียนข้อความไว้เป็นวักเพื่อค้นหาทางแก้คดีเช่นว่าตอนที่คิดบั่นทอนลูกของตัวเองแท้ๆเพราะว่าลูกมีสิทธิ์จะรับความยิ่งใหญ่แทนพระราชบิดาแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของลูกตัวเองเนี่ยจะเป็นเครื่องบั่นทอนความรักใหม่นี้ให้สลายไป ความตอนนี้ช่างบ่งไปในทางฆ่าลูกเพื่อเห็นแก่การบำรุงบำเรอตันหาแห่งตนเท่านั้นตามในวักนี้ผมขีดเส้นแดงล้อมไว้เพื่อให้รู้ว่าตอนหนึ่งที่จะต้องแก้คดีและอีกตอนหนึ่งเป็นที่ทั้งสองท่านนี้พยายามก่อสมัครพรรคพวกเพื่อยึดราชบัลลังก์ท่อนแขนแล้วก็มือที่เลือนลางคล้ายกับฝันนั้นได้ชี้ลงไปยังข้อความเหล่านี้เชื่อหรือว่าใจคนเราจะทาได้อย่างนี้เป็นเสียงแววที่ถามผมอย่างใกล้ชิด ที่ขีดค่าไว้นี้ก็โดยไม่เชื่อและก็จะคิดแก้ไขด้วยเหตุผลที่รัดกุมผมตอบออกไปแบบส่งๆจะโดยเป็นคำพูดหรือว่าเป็นเพียงใจที่ผมคิดตอบก็ไม่ถูกผมก้มดูข้อความตรงนั้นอย่างใช้ความคิดคนเก่าสร้างเหตุการณ์ไว้สำคัญมากด้วยอาศัยเหตุการณ์แวดล้อมแล้วก็วัดการเวลาเข้าวางไว้อย่างแน่นแฟนคงเป็นการกระทำสองครั้งครั้งแรกทาเพื่อแฉความชั่วร้ายแก่ประชาชนคนทั่วไปทั้งประเทศ ครั้นเขาล้มล้างอำนาจลงได้สําเร็จก็ทําอีกเป็นครั้งหลังเหมือนปิดรายการพูดถึงความชั่วชานั้นให้คนจงเกลียดจงชงังไม่มีใครจะเมตตาปราณีได้แม้จะมีใครก่อต่อเพื่อจะทําการแก้แค้นให้ก็ระอาในความชั่วร้ายนั้นรายการปิดหลังนี้ร้ายกาจมากบันทึกไว้เพื่อกันการแก้แค้นแต่ว่านานเข้าก็เป็นการประจานกันโดยตลอดโลกสลายการจะแก้คดีล้มล้างนั้นจะต้องหาเหตุผลให้เพียงพอหาพยานอ้างอิงให้เพียงพอ มีข้อยืนยันได้เพียงพอเราจึงจะพูดได้แก้ได้จะพูดเอาง่ายๆตามใจที่เราคิดมันมีทางพลาดเสียตัวเราเองด้วยเลือดในโอกใครจะฆ่าลงถ้าเพื่อจะสํารานทางการปัญหาเสียงนี้แผ่วเบาเหมือนบ่งด้วยความเสียใจที่ถูกประนามเอาละถ้าฉันต้องการทางตัญหาจริงๆฉันจะฆ่าลูกฉันทําไมจะมาบ้าอะไรกับอํานาจฉันก็เอาลูกฉันขึ้นเป็นโล่บังเพราะลูกยิ่งใหญ่แล้วฉันกับชูจะหนีไปเมื่อไหร่ก็ได้ ไปแอบตัวอยู่อย่างคนธรรมดาเพราะเดิมเราก็เป็นคนธรรมดาขอให้คิดดูเถิดชาติคนเลวแล้วไม่มีบุญใดกุศลใดจะส่งให้ขึ้นสู่ที่สูงสุดของบ้านเมืองเป็นที่เคารพบูชาแก่ปวงชนได้คำนี้ผมเห็นจริงถึงกับโค้งหัวรับคำจริงแล้วไม่มีใครจะอุ้มเอาคนที่ไม่มีบุญวาสนาแท้ๆขึ้นไปอยู่สูงสุดอย่างนั้นได้คนสัญชาตินรกจะช่วยกันยกขึ้นเป็นคนสวรรค์ได้เหรือทั้งเท พ, พเจ้าผู้รักษาเวตฉัตรก็มีอยู่จะปล่อยให้มนุษย์ ทำกันเล่นๆแบบนั้นหรอในขณะที่เหตุการณ์นี้กําลังจะเกิดกับผมความรู้สึกผมเหมือนกําลังเป็นมนุษย์ของอยุธยาสมัยนั้นตาของผมเห็นพระราช า, านิเวศสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมีอาคารเรียงรายทั้งชาวสนมกำนันอยู่สลอนผมถอนใจยาวราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นนั้นเป็นสมบัติของผมเองทัางหอพระมีสระน้ําบัวชูดอกออกสะพรั่งเลยไปก็มีสวนดอกไม้หอมต่างๆมองแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า ทุกๆอย่างที่เห็นนี่หรือคือสื่อรักที่ทําให้พันบุตรสีเทพกับเจ้าแม่อยู่หัวต้องจมลงในเหวลึกเพราะว่าเรื่องของความรักผมพูดคุยกับเจ้าของเสียงนี้ก็คงหลายนาทีเพิ่งคิดอยากจะมองหน้าเมื่อตอนหลังเมื่อมองเข้าจริงก็เห็นว่าเป็นหญิงสาวที่สวยไปหน่อยแล้วแล้วก็ไม่ใช่สวยอย่างดาราแต่เป็นหญิงที่มีท่าทีมีอํานาจสวยอย่างเย็นๆอย่างสมัยโน้น ความมีสติเลื่อนเปื้อนของผมเนี่ยไม่ยากกันนึกเฉลียวใจว่าเธอคือใครเลวจริงๆผมควรจะรู้จักเธอมากกว่านี้เพราะว่าคุยกับเธอมาหลายนาทีแล้วแต่แล้วผมก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อกลิ่นกระเจะจันฟุ้งมาอีกทีหนึ่งเจ้าประคุณนี่คือกลิ่นในราชสำนักโบราณและผมก็ฟุบหัวลงกับโต๊ะไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยน่าแปลกใจนักที่ผมไม่เคยวางโครงเรื่องใดชักชา้าแล้วก็วนเวียนเหมือนเรื่องนี้เขียนไปแก้ไปขีดท่าแล้วก็เขียนใหม่จนมองเปรอะไปทั้งแผ่น วันหนึ่งคุณสุธีเพื่อนเก่าผมก็ได้มาหาแล้วว่ามีธุระไปอ่างทองอีกแล้วก็ขอชวนผมไปด้วยอีกครั้งเพื่อจะชวนกันนอนค้างที่วัดธรรมมิกราชที่อยู่ในเขตพระราชฐานกรรษัตริย์โบราณอีกเขาบอกว่าเย็นสบายจิตใจแ จ, จ่มใสดีนัก ผมกำลังอยากไปอายุธยาอยู่แล้วก็เลยติดรถไปกับเขาไปเร่ร่อนอยู่ทางอ่างทองไม่นานนักในเที่ยวนี้ขากลับถึงอายุทยาก่อนจะเข้าวัดธรรมิกราชเราขับรถเลยเข้าวังโบราณก่อนไปหาที่จอดตรงคุ้มขุนแผนแล้วผมกับคุณสุธีก็ลงเดินเล่นตามหมู่ไม้แถวนั้นในขณะนั้นมีหญิงชายคู่หนึ่งเดินมาข้างหน้าเราเราเดินเดินอย่างนี้เกิดเคราะห์ดีได้พบกับเจ้านายสมัยอายุทยามาเกิดใหม่แล้วก็มาเดินปะปนอยู่กับเราก็วิเศษเลยสิ คุณสุธีพูดแล้วก็หัวเราะผมก็หัวเราะเพราะไม่คิดว่าสุธีจะคิดอะไรแปลกๆแบบนี้แล้วก็พูดขึ้นอย่างแปลกๆจนหญิงชายคนที่เดินอยู่ข้างหน้าเราถึงกับหยุดเดินแล้วก็หันมาหัวเราะกับเราแต่เราก็ไม่รู้อีกนั่นแหละครับว่าคนในสมัยนี้คนไหนเป็นคนในสมัยอายุทยาสมัยโน้นที่กลับชาติมาเกิดคนผู้ชายที่เดินมากับผู้หญิงเป็นคนพูด แม้ผมเองก็ไม่กล้าจะพูดว่าพวกคุณสองคนนี้ก็น่าจะเป็นคนสมัยโน้นมาเกิดนะคนเราถ้าลงมาชอบเดินเกรดในสถานที่แห่งนี้ก็อาจจะเคยเป็นเจ้าของสถานที่นี้มาตั้งแต่สมัยโบราณก็เป็นได้เขาพูดก็ไม่น่าขบขันแต่ผมกับสุธีก็ต้องหัวเราะแม่หญิงคนนั้นยังสาวรุ่นรุ่นเรียกชายคนนั้นว่าอาชายที่ถูกเรียกว่าอานี่แหละพูดอะไรแปลกๆดีก็น่าคิดอยู่ที่ว่าผมกับสุธีอาจจะเป็นชาวอายุธยาสมัยโน้นจึงมาเดินวนเวียนอยู่ในหมู่อิดหักพัง ชายที่ว่านั้นมีร่างกายสูงใหญ่ดวงหน้าสี่เหลี่ยมแม่หญิงหลานสาวนั้นค่อนข้างสวยยืนเท้าเอวเบือนหน้าดูไปซ้ายไปขวากิริยาคล้ายกับเจ้าหญิงอะไรสักองค์ที่กำลังมองดูสวนดอกไม้หรือกำลังมองดูข้าทาสของตัวเองลักษณะมีอำนาจอย่างลึกลับ ส่วนคุณอาของเธอนั้นไม่มีราศีว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ประการใดแต่ก็มีแววว่านั่นคือทหารเอกของเจ้านายสมัยโน้นองค์ใดองค์หนึ่งความสูงใหญ่และท่าทางนั้นแกร่งสมทหารดาบนักอยากจะรู้จริงๆเลยค่ะว่าหอพระที่พันบุตรสีเทพอยู่นั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็สวนดอกไม้อยู่แถวไหนแม่หลานสาวอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาได้อาของเธอมองหน้าหลานสาวนิ่งอยู่ส่วนผมนั้นสะดุ้งและใจหายพิลึก เขาที่มาอายุทยาก็เพราะเรื่องนี้รู้ได้ยากอาของเธอพูดสมัยนี้ใครๆก็เปลี่ยนกันไปเอาอย่างนี้สิถ้าอยากรู้อยากคิดเจอดอกไม้อะไรก็เก็บไว้แล้วก็นึกเอาว่า น, นั้นแหละคือดอกไม้ในสวนหลวงตอนข้างหอพระอาของเธอพูดแล้วก็หันมาหัวเราะกับเราสองคนผมเองนะ่ะอยากรู้ทั้งหมดว่าตรงไหนเป็นอะไรตำหนักนั้นอยู่ที่ไหนปราสาทนั้นๆยังอยู่ที่ใดในเขตพระราชฐานเขตใน ผมก็พลอยพูดไปบ้างเอ๊ะจะไปกันใหญ่หละมัง้งคุณอาพูดมันเป็นธรรมดาครับผมรีบพูดคนหลายคนที่มาอายุทยาแล้วก็เข้ามาในเขตพระราชฐานที่ผมว่าเนี่ยแทบทุกคนมีหัวใจผูกพันอยู่กับใครแล้วก็อะไรอีกมากมายก็แล้วแต่จะตั้งใจมาคงไม่ได้มาเดินชมความงามอะไรที่นี่หรอกครับใครตั้งใจอะไรก็ว่าไปตามอารมณ์เถอะครับวิเศษนะักผมสรุปเออจริงของคุณนะคุณอาคนนั้นตอบ แต่และคนที่มาเหยียบพื้นที่พระราชฐานเนี่ยก็ต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทุกคนแต่สําหรับผมนะพอเหยียบมาคราวใดใจมันอยากจะหักคอไอ้คนขายชาติทุกทีเลยอยุธยาแตกก็เพราะไอ้คนขายชาติเสียดายเกิดไม่ทันผมจะหักคอมันซะคุณอาผู้มีราสีทาหารแล้วก็มีแววดุดันเหี้มเกรียมเมื่อเวลาที่พูดแต่เมื่อพูดจบแล้วกลับยิ้มอย่างสุภาพอ่อนโยนผมมีความรู้สึกว่ากําลังฝันแล้วก็กําลังพบกับผู้ที่เป็นเจ้าของอยุธยาสมัยโน้น พื้นแผ่นดินนี้เป็นของเราและต้องทิ้งร้างไปเพราะศัตรูมายำ่ำวิญญาณชาวเราจะไปไหนก็ต้องวนเวียนมาดูด้วยความเสียดายและก็เครียดแค้นทุกคนที่เดินอยู่ในเวลานี้ใครหล่ะจะรู้ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินนี้เมื่อสมัยโน้นเมื่อผมคิดดังนี้แล้วก็เล่นเอาไม่กล้ามองศบตาใครกลัวไปพบตาที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นทุกคนได้สูญเสียของรักเขาไปแล้วคงเหลียวไว้แต่องหลวงพ่อมงคลประพิษ ไว้ให้ชาวเราเรวมตัวแล้วก็มากราบไหว้ผมคิดแล้วก็น้ำตาไหลแม่หญิงสาวสวยผู้มีราศีดังเจ้าหญิงนั้นยังคงเบิ่งน้าแล้วก็กวาดตาไปทุกแห่งด้วยการวางกิริยาท่าทางว่าเคยมีอํานาจมาในครั้งหนึ่งยืนมือไพล่หลังบ้างเท้าสะเอวบ้างเหมือนเจ้าหญิงองค์หนึ่งกำลังจับฟังว่าตาหนักไหนล่ะที่ฝึกซ้อมมโหตรีกันบ้าง บางทีก็กวาดพระเนตรไปยังพงหญ้าที่รกที่พนักงานชาวไร่หรือพนักงานชาววังไม่จัดทําให้งามตาส่วนคุณอาของเธอนั้นนิ่งเงียบคล้ายกับจะเงี่ยหูฟังเสียงของการจัดทหารหรือตํารวจวังที่กําลังเดินมาเปลี่ยนเวรพวกเก่าแต่แล้วอาการเงียบของแกก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเดือดดานใจเจ้าคุณทหารผู้ทรยศชาติแต่บังเอิญได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการรักษาพระนครสีอยุธยาเป็นผู้ห้ามไม่ให้ใครยิงปืนต่อสู้ฆ่าศึกเลย โดยอ้างว่าสนมกำนันแห่งพระเจ้าแผ่นดินทนเสียงปืนไม่ไหวคุณอาผู้นั้นตบขาตัวเองอย่างแรงแล้วก็ถุยน้ำลายลงดินอย่างเผลอตัวผมเองก็เกิดเดือดดานขึ้นบ้างเตะลมแก้คันหัวใจดังวืดแต่มันไม่ยากกับเป็นดังนั้นผมเตะเอาพนักพิงในรถด้านหน้าเข้าซึ่งความจริงผมหลับอยู่ในรถนอนพิงพนักหลังหลับแล้วก็ละเมอเตะเอาพนักหน้าเข้า ตกใจตื่นมองหาสุทีก็พบว่าสุทีไปนอนอยู่สนามหญ้าใต้ต้นรําเพยโดยมีเสือปูแล้วก็หนุนหมอนสบายผมจึงรีบไปปลุกให้ตื่นแล้วก็ออกรถวิ่งไปรอบเกาะตัวเมืองเวียนมาหัวรอดื่มสุรากันพักใหญ่เมื่อเสร็จอาหารแล้วก็ไปนอนกันที่วัดธรรมิกราชอาบน้ําอาบท่าสบายแล้วผมกับสุทีก็ยึดตรงหน้าต่างไปที่นอนตามเคยมันมีเรื่องแปลกขึ้นนะคุณอุทิศคุณเกรียงพูดขึ้นขณะที่เรานอนคุยกัน อัตมาฝันเมื่อสองสามคืนก่อนหน้านี้ฝันว่าพบชายกลางคนรูปร่างสูงใหญ่สมทหารกับผู้หญิงที่มีร่างแน่งน้อยเมื่อคุณเกรียงพูดแค่นั้นผมสะดุ้งใจนักที่ท่านพูดนั้นก็คือหญิงชายที่ผมเคยพบเขาที่วังโบราณเมื่อกลางวันสองคนที่พบกับอัตมานั้นคุณเกรียงพูดต่อเขาพูดถึงคุณอุทิศเขารู้ว่ากําลังมายุ่งอยู่กับชีวิตเจ้านายอายุทยาโบราณอยู่เขาบอกให้อัตมาเตือนคุณอุทิศว่า อย่าได้เอาวิญญาณของตัวเองมาจมอยู่ที่อยุธยานี่เลยขอให้ดูตัวเขาเถอะเขาเป็นทหารเอกของเจ้านายองค์หนึ่งในสมัยกรุงแตกแล้วก็รบราค่าฟันกันจนวาระสุดท้ายเขาได้ควบคุมรักษาหญิงผู้เป็นราชวงศ์ไว้คนหนึ่งจนนาทีสุดท้ายเขาฆ่าศัตรูผู้มาชิงกรุงแล้วก็ฆ่าไอ้ตัวทรยศประเทศไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วก็วิญญาณเขาก็จบแล้วก็วนเวียนอยู่ในพระราชฐานนี้เองรอคอยอยู่ด้วยความเครียดแค้นทุกเวลาว่าจะสิ้นกรรมเมื่อไหร่ เขาบอกว่าถ้าไม่ควรอย่างไรแล้วก็ให้คุณอุทิศจงถอนตัวซะก่อนขอเตือนว่าจิตจะไม่สงบจะมีแต่ความเครียดแค้นอยู่ตลอดเวลาผมนอนฟังคุณเกรียงพูดโดยไม่ออกความเห็นใดๆเพราะท่านว่าท่านฝันถึงชายผู้มีลักษณะเป็นทหารและหญิงผู้มีลักษณะเป็นเจ้าหญิงซึ่งผมก็พบกับเขาแล้วชักจะสงสัยว่าการพบของผมก็น่าจะเป็นความฝันเพราะมารู้ตัวคราวหลังว่าพิงรถหลับอยู่และสุทีก็หลับอยู่ที่สนามหญ้าตามที่คุณเกรียงบอก ชายที่ว่าเป็นทหารโบราณ น, นั้นให้เตือนผมว่าอย่าเอาชีวิตหรือว่าวิญญาณมาจมอยู่ในอยุธยา น, นี้เลยเพราะว่าความเคียดแค้นมันจะก่อรุมสุมตัวก็น่าคิดอยู่นะครับเขาว่าวิญญาณของเขาเองก็ยังเร่ร่อนอยู่ในเขตพระราชฐานเพื่อรอคอยการแก้แค้นฟังแล้วก็น่าสยองใจชายชาติทหารนั้นจะเป็นออกขุนออกหลวงใดก็ไม่รู้หญิงนั้นจะเป็นเจ้าหญิงองค์ใดก็ยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานี้ทําให้ เป็นเรื่องใหม่ที่สิงใจผมให้เกิดยุ่งเหยิงทำให้เขาโครงเรื่องพ่อขุนวรังวงศายังแนบเนียนมิได้แต่จะอย่างไรผมก็จะพยายามแก้คดีให้แก่ผู้ที่ถูกสาปแช่งนั้นกลับแจ่มใสขึ้นได้ในวันหนึ่ง